Beep. <whistles>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 ในโลกนี้มีแต่คนหลับควรฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตมันไม่ตื่นคนที่จิตตื่นขึ้นมา น, ะนับตัวได้จริงจริงแล้วที่ภาวนากันถ้าเป็นท้ายก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตื่นด้วยซ้ําไปบางทียิ่งหลับลึกยิ่งกว่าเก่าอีกอย่างภาวนาจนกระทั่งซึมกระทือไปเลยนะลืมเนื้อลืมตัวไปภาวนาอย่างนั้นนะยิ่งภาวนายิ่งหลับทําไมคนถึงหลับเพราะโมหะมันครอบโลกความหลงนั่นแหละมันครอบโลก เนี่ยวันนี้หลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านมาเกณฑ์หลวงพ่อพูดเรื่องโมหะกิเลสแมเนจเมนต์ Management, เรื่องความหลงแต่ว่าพูดตรงๆนะในนินทา น, นิดเถอหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครจัดการกิเลสได้เลยนะมีแต่ตุก G ิเลสจัดการทำไมเราสู้กิเลสไม่ไหวเราอยากดีเราอยากสุขใช่ไแต่ทาไมเราสู้กิเลสไม่ได้เราใจสอกเราใจส่อเกินไปนะถ้าเราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดี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 คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยวันๆหนึ่งมีเยอะแยะเป็นร้อยๆหลายร้อยบางวั น, นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกละเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างรวดเร็วเลยเคยมีความทุกข์มากๆนะความทุกข์ก็น้อยลงเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตัวเองคนรอบๆตัวก็รู้สึกได้ว่าคนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนแปลง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 ภาวนาให้เป็นให้ตายสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกอย่างมากก็ยันยันกันไว้นะสู้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเอาจริงสู้ไม่ได้หรอกกิเลสมันน่ากลัวจริงๆนะอาวิชานี่มันครอบครองหัวใจสัตว์โลกอยู่เอาวิชานี่แหละคือหัวโจกของโมหะเลยของความหลงเลยเอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจนี้ทํำยังไงเราจะรู้อริยสัจวันนี้หลวงพ่อเอาหนังสือมาให้ทีแรกได้ข่าวว่าที่นี่จูด้วยสองร้อยคนนะหลวงพ่อเลยเอาหนังสือมาให้200ร้อยเล่ม รู้ว่ามาสองพันเราก็สู้นะ <c oughs> ไม่บอกนี่ว่ามีเยอะ <c oughs> นะได้ยินว่ามี200ร้เอานักสื่อไาให้200อริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละนี่พวกเราละ่ะมีโอกาสจะรู้แจ้งอริยสัจไหมมีมีโอกาสขั้นแรกเลยเราต้องฟังให้รู้เรื่องก่อน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 รู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามที่กําลังปรากฏเพราะกายกับใจนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์อริยสัต์ตัวแรกคือตัวทุกข์ใช่ไหมทุกขสัตว์อะไรคือทุกขสัตว์อาการที่ปรากฏของทุกขสัตว์ก็เป็นต้นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนานี่เป็นแค่อาการปรากฏของมันเท่านั้นเอง ตัวทุกข์ที่แท้จริงนะัคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี่ต่หากยากที่สุดเลยนะที่เราจะเห็นตัวนี้ได้พวกเราจะเห็นไม่ได้นะต้องภาวนาต้องสู้ตายจริงๆนะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเรารู้อริยสัจนะสมัยเป็นนักเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษามีตั้งแต่ชั้นปฐมนะีมีวิชาศิลธรรมแต่ก่อนเนี้ยตอนเรื่องอริยสัจทุกสมูทัยนิโรจน์มรรคจบแล้วสอบได้ละทุกเป็นยังไงเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สมุทัยคือตัณหานิโรธกระทรวงศึกษายุคต้นนะไปแปล น, นิโรธว่าตายเราก็นึกตอนนั้นนะว่าเราจะเอาเอามรรคนะแต่เราไม่เอานิโรธนิโรธไม่ได้แปลว่าตายนะไม่อานาถาขนาดนั้นหรอกมรรคมีองค์8ปดฟังเราก็ยากใช่ไหมมีต้ององค์8ปดทำยังไงจะทําได้ในความเป็นจริงนะถ้าทําเป็นเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลย8ตัวเนี้ย ไม่ได้เกิดทีละตัวนะเกิดทีละตัวเรียกว่ามากมากเพราะฉะนั้นมากจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่มี8นะั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริ ง, รงๆไม่ยากหรอกอันแรกสุดเลยเราจะต้องมารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกข ค, คือกายกระใจคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นได้ว่าไกากระใจเป็นตัวทุกขคนทั่วๆไปก็จะตื้นกว่านั้นนะอย่างคนทั่วไปเลยเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีความอยากนะ เขามีความยึดถือเนี่ยถ้าเขาได้มาเขาก็มีความสุขถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์หไหมตื้นขนาดนี้พวกเรารู้สึกไหมถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์นะถ้าอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยถึงจะทุกข์เนี่ยยังห่างไกลนะห่างไกลธรรมะมากเลยถ้าคนไหนภาวนาละเอียดประณีตขึ้นมาอีกก็จะพบว่าทันทีที่เกิดความอยากขณา น, นั้นจะเกิดความทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เดิมต้อง ถ้าผู้ปฏิบัติหัดจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นจะพบเลทันทีที่จิตมันมีความอยากขึ้นมาจิตมันจะมีความทุกข์ทันทีเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวตัญหาเป็นตัวสมูทไทยผลักดันให้จิตเกิดการทำงานการทำงานของจิตนั่นแหละเรียกว่าพบพวกเราได้ยินไหมคำว่าพบพบพอสำเพอราพอผ่านพบมาจากคาว่ากรรมพบคือการทากรรมของจิตนั่นเอง พวกเราถ้าภาวนาดูจิตดูใจไปถึงจิตหนึ่งเราเห็นจิตมันทำงานตลอดเวลาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของจิตก็คือความอยากคือตัณหาพลัดดันตลอดเลยนี่ผู้ปฏิบัติถ้าทำไประดับหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจะมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าสมอยากหรือไม่สมอยากนะแค่อยากก็ทุกข์ละนี่ก็เรียกว่าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นละ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 เครื่องมือที่ทําให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้รุ่นหลังๆเราเริ่มแปลกเคลื่อนไปนะเราไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดกดไว้ข่มไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกนะระลึกได้สติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะฉะั้นเราต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะของร่างกายสภาวะของจิตใจสภาวะทางร่างกายจริงๆดูยากมาก อย่างเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมมือไม่ใช่ตัวสภาวะนะมือไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะแท้ๆที่ตามองเห็นคือสีเท่า น, นั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วเราก็มีสมมติบัญญัติลงไปว่านี่คือมือนะคนจีนก็เรียกชิว่วฝรั่งเรียกแฮนใช่ไหมสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันแต่สภาวะที่เห็นเนี่ยคือสีที่มากระทบหรือเราจะดูร่างกายท่านบางคนก็บอกว่ารู้กายาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน ยังไม่ใช่รูปตัวจริงนะนั่นเป็นยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองตัวรูปที่แท้จริงที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยคือตัวาธาตุธาตุสี่จริงๆ ร, รู้ยากมากนะเธอยากมากอย่างคนที่ฝึกอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้มีควรเห็นได้เยอะละอย่างเขาอาบน้ําอยู่นะถูสบู่อยู่เนี่ยเขารู้สึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะี่นี่เป็นอะไรเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นก้อนาธนนอนาตนะุจะรู้สึกทำไมต้องสัมผัสอย่างนี้แล้วรู้สึก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 ถ้าไม่ทรงฌานจริงๆน่เห็นยากเพรา ะ, ะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยในอภิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนทาําฌานถ้าทําฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเวลามันมารู้มันจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดนะูมันจะแยกออกไปจากจิตนี้มีวิธีกรรมทำกรรมาฐานที่ง่ายๆอย่างนึงกรรมาฐานที่ง่ายๆนะคือการหัดรู้สภาวะทางใจของเราที่เป็นนมามธรรมทั้งหลายใครไม่รู้จักความโกรธ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 ญนะาณสัมปยุตอสังขาริกังชื่อยาวาหนึ่งอสังขาริกังไม่ได้จูงใจให้เกิดสติเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยงั้นถ้ายัางสติกํหนดอยู่ไม่ใช่ของจริงสติที่ยังกาหนดอยู่ยังน้อมใจให้เกิดอยู่เรียกว่าเป็นสสังขาริกังสังขาริกังเป็นกูรุที่มีกำลังอ่อนไม่พอแก่การทำวิปัสสนาจริงหรอกต้องฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมา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 สุดท้ายเลยวิปลาสคืองงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วคิดมากไปวันหนึ่งแกท้อแท้ทอดอะไรมาที่วัดหลวงพ่อครั้งที่10บไปจุมปุ๊กอยู่ท้ายห้องนะโตเรามวลโง่เรียนไม่ได้เรื่องเลยแกได้ยินเสียงลมพัดระฆังหลวงพ่อแขวนกระดิ่งเล็กๆไว้ที่ชายขาลมพัดกลิง้งแกเห็นจิตของแกวิ่งฟื้ไปที่ระฆังเอ้ยมันวิ่งไปได้เสร็จแล้วมันก็กลับมาเดี๋ยวอีกกลิง้งนึงนะจิตมันก็วิ่งอีก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 นี่แหละวิธีที่จะสู้กับโมหะนะขั้นต้นเลยหัดรู้สภาวะไปจนกระทั่งสติมันระลึกรู้ไปเห็นสภาวะที่กําลังเกิดเช่นความโกรธกําลังปูดขึ้นมาปุ๊บปุ๊ปเห็นมันพุ่งขึ้นมาเลยนะหรือใจลอยใจแอบวิ่งปุบปุ๊ปหนีไปคิดสติมันไปเห็นครับทันทีที่เห็นมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะที่ท่านอาจารย์ท่านว่าตื่นตื่ น, นทันทีที่รู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏนะจะตื่นขึ้นมาสภาวะอันหนึ่งที่พวกเรา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 ที่เป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่มันรู้อารมณ์ส่วนสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะี่คือจิตมันไหลเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เอาต่อไปนี้ทดสอบเรื่องสมาธิบ้างเอาทุกคนเอาหัวไม่มือคนไหนหัวไม่มือด้วนก็เอาหัวไม่เท้าได้ลองดูหัวไม่มือเองลองเพ่งลงไปให้จิตลงไปแนบรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่หัวไม่มือรู้สึกไหมอย่างเนี้ยที่พวกเราชอบทํา เอาเวลาไปรู้ลมหายใจเอา้าเลิกดูหัวไม่มือหันไปดูลมหายใจใหม่หันไปรู้ลมหายใจเข้าพอดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมยกเว้นคนนี้คนนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราทําสมาธินะจิตเราเคลื่อนไปทางนั้นเลยจิตเราไหลไปทางนั้นเลยเวลารู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเราไปดูท้องพองยุบจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้า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 นี่พวกเราส่วนมากทำไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีที่ย่อๆหน่อยเอาง่ายๆหน่อยให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองอย่างคุณเมตตารู้สึกไหมจิตมาอยู่ที่อัตมาบ้างจิตหนีไปคิดบ้างถ้าเรารู้ว่าจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อฟา์โมดรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้แค่เนี้ยจิตมันจะตั้งขึ้นมาเองพอจิตตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนอยู่กับเนื้อกับตัวละวเมื่อเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึก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 เราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้หลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าไปเพ่งเอานะถ้าเพ่งเอาจะไม่เกิดปัญญาพวกที่ติดสมถะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยยืนยันเลยพวกที่ติดสมถะทําไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อติดสมถะอยู่22ปีหลวงพ่อทําสมถะมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบทําอานาปานสตินี่แหละแล้วจิตก็แนบอยู่กับลมอย่างนี้แหละหายใจไปนะทีแรกก็เป็นลมนะกลับไปมันจะเป็นแสงมันไม่ใช่เป็นลม ลมมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงก็ย่อได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาระที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปลตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเองเนี่ยกิเลสแมนเน็ตเมนต์ไม่ได้ไม่เห็นนะไปรู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวเราอตะเกียจใจหนีไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเองสังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆแวบหนึ่งก็ลืมแวบหนึ่งก็ลืม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 หสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความปรากฏของกายของใจอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นใจไม่หลงถลําไปอย่างพวกเราเวลาเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราอยากฟังอะไรใช่ไหมเขาถแถลงกวงถแถลงการนี่เขาจับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยหมายเราตั้งใจฟังใช่ไม้มใจเราหนีเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ได้เนี่ยใจเรามันหลงไปเงี้ยให้คอยรู้ทันนะ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 เราเราคอยรู้ทันนะหลวงพ่อบอกให้ซื่อเลยนะไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการรู้สภาวะไปรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้รูปธรรมรู้นามธรรมาอย่างที่หลวงพ่อพาดูตอนนี้เป็นการพาดูนามธรรมาเพราะรูปดูยากนะต้องทรงฌาน่างเจะเห็นได้ชัดนั้นดูนามธรรมาเช่นความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูนะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย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 เอาพอเดี๋ยวตายกันขาที่ที่นี่นะอะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกขลมหายใจเข้าออกเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถเลยมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นร่างกายเนี่ยเป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่นี่เป็นตัวปัญญานะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกินไม่ใช่คิดเอานะ นี่หลวงพ่อไปสรุปตอนที่ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เห็นเลยร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นไหมหัวใจก็เต้นตุ๊บตไปแล้วก็ร่างกายเราก็ต้องกระดุกกระดิกร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวลำบากเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราเป็นวัตถุเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็คือมีธาตุไหลเข้าไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้นะร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั้นอยู่ห่างๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆแล้วที่สามารถเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่งางหากแยกกันเห็นว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่จิตหรอกแล้วก็เห็นจิตเกิดดับ S <S <an> <S เดี๋ยวจิตไปทางตาเนี๋ยจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจเนี่ยจิตเกิดที่ใจเนี่ยหมุนไปอย่างเนี้ยเราดูไปเลยเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นบังคับไม่ได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะจิตเนี้ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความอยากความอยากบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยดูไปเราจะเห็นเลยในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยเบื้องต้อนอยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้าง ดูไปเรื่อยๆนะจนวันใดแจ้งขึ้นมาจริงๆแลกายนี้ทุกล้วนๆจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายละวันใดเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตละ <S <s พวกเรายัง ย, ยึดถือเพราะว่าเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายัางรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังยึดถือยังปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกนะถึงจะมาพูดคําว่าปล่อยวางใจก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าปัญญาไม่พอจะปล่อยได้ต้องปัญญาพอนะ ปัญญาพอเพราะอะไรเพราะสติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสามาสามาธิปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ปัญญานี่แหละคืออโมหาะงั้นถ้าจะสู้โมหะก็ต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้าจะสู้โมหะต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสติ ใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทําสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานให้สติเป็นแค่ระลึกแค่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกพอรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆรรู้สึกบ่อยๆต่อไปเราก็สังเกตอีกอันหนึ่งจิตเราไม่ตั้งม่านจิตเราชอบไหลไปไหลมาไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปไหลมาหลทางใจคือไหลไปคิต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 ที่เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนำรูปปริเฉทญาณ น, น, นั้นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าก็นั้นนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามเพราะฉนั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตื่นตัวนี้สําคัญมากงั้นเราต้องมีสองตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นธรรมะทั้งหลายไหลผ่านเราไป เราจะเห็นกิเลส ท, ทั้งหลายนะไหลผ่านจิตเราไปไหลผ่านเฉยๆไม่ทําำลายจิตทุกวันนี้กิเลสผุดขึ้นมาใครทําให้กิเลสผุดขึ้นมาก็จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลส ท, ที่จิตปรุงนั้นเองกลับมาทําำลายจิตจิตเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลส ท, ที่มาแผดเผาแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกจนใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราตั้งมั่นกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนี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 งั้นเราค่อยฝึกหนะ้าวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้อีกแต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้ฉลอยญาติโยมจะทนไม่ไหวเพราะปัญญานนะมีเป็นขั้นขั้นไปมีเป็นลำดับลาดับไปพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่าพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยนะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยนะมีปัญญาเล็กน้อย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 ถ้าดูซ้ําลงไปดูไปอีกไปอีกนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับจริงๆกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีมีแต่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะปัญญามันปิ๊งขึ้นมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยพวกเราเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดอันนั้นดับรู้สึกไหมไม่จริงหรอกเรายัางคิดเอาอยัางไม่ได้เห็นจากของจริงถ้าเห็นจากของจริงเราจะละกิเลสได้ เพราะฉนั้นกิเลสน่ะไม่กลัวช่างคิดนะกิเลสไม่กลัวคนช่างคิดกิเลสกลัวคนเจริญสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดูไปอย่างนี้กิเลสจะกลัวนี่กิเลสแมนจ์แมนตัวจริงเลยละ่ะใครดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันตัดครั้งที่สองพอตัดครั้งที่สองเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปั่นกลางมีปัญญาเล็กน้อยถ้าสัคขาคาอย่างปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราล่ะนะลูกนศะิษย์คงจิ๋ว ปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่าท่านก็ยังเห็นอย่างพระโสดาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับตัวเราไม่มีท่านเห็นแจ้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าความรักใคร่ยินดีพวพันในกามเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะท่านรู้ว่าจิตที่หลงไปดูรูปนี่มันหลงไปทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะเห็นคุณสืบสักนี่เห็นสาวเดินมาใจวิ่งจู้จไปที่เขาสติระลึกปับ๊บเนะี่ยราคาขาดสะบั้น น, ะนี่ราคาแมเนจเมนต์นะเห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัว นะกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลย น, ะนี่โทรสะแมนจ์เม้นต์แล้วทำยังไงดีมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกำลังทำกรรมใหม่คือโง่นะพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันไดนะคอยดูไปนะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปต่อมาพอมันตัดครั้งที่3าตรงที่มันตัดครั้งที่3เนี่ยมันจะพลิกเลย จะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วาใจจะไม่ปัวพันด้วยกามมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปเป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเรายังไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกไหมกายเรานี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหายังบังอยู่ให้รู้สึกลงไปอีกพอรู้สึกอยู่เรื่อๆเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่ก็มีเยอะนะ ขนาดนอนหลับนี่ภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยแต่เดิมเนี่ยเคยเสพสุขด้วยการนอนรู้สึกไหมนอนแล้วสบายพอมาเจริญสติปัญญาแหมมันแก่รอบขึ้นมาจริงๆจะตกใจนะพวกที่ชอบนอนอ่ะพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นอนอยู่นี่มีแต่ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่งสี่สครั้งจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลย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 รูปมากระทบนี่แม่ตายัางไม่น่ารักเลยนี่ไปรักรูปได้ไงหูยังไม่น่ารักเลยไปรักเสียงได้ไงไม่ยึดถือตรงเนี้ไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างในนี่ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งหลายนี่ไม่สามารถทําให้ใจเรากระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์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 ฝึกไปเรื่อยจนวัน an ใดเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละจะพ้นทุกข์แล้วละ่ะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเลยว่าเรายังขาดอะไรเรายังไม่รู้วางอย่างอยู่เรามีสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรจะรู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันใดเห็นแจ้งอริยสัจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัววิชาคือตัวปัญญาคือตัวอโมหะที่แท้จริง นี่แหละโมหะก็จะถล่มทลายลงตรงที่ปัญญานี้เกิดขึ้นมาอาวิชชาจะคว่าลงตรงนี้เองเทศนานเลยรู้เรื่องบางเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่รู้เรื่องนะมีไม่มากหรอกทําไมมันฟังยากเพราะไม่ค่อยได้ฟังเราได้ยินธรรมะก็ทั่วๆไปนะให้ทําทานให้ถือศีล น, นะให้ทําโน่นให้ทํานี่อย่าทําโน่นอย่าทํานี่นะเราไม่เคยได้ยินธรรมะว่าให้รู้ ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราไม่ค่อยคุ้นเราจะชอบแต่แจะทำํำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติคุณรินรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติคือคิดว่าต้องทําอะไรซักอย่างที่ไม่ธรรมดาเพราะงั้นจะต้องเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์บูแบนตลอดนะต้องไม่ธรรมดา ท, ทั้งทั้งที่ธรรมะคือธรรมดางั้นเมื่ อ, อไรเลิกสักทีนะเลิกสแสวงหาเลิกดิ้นรน แต่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์องค์นึงของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะแต่เดิมเรียนสมถะเรียนจากท่านพ่อหลีแล้วท่านสิ้นไปก่อนขึ้นวิปัสสนาไม่ทันแล้วไปเรียนดูจิตจากหลวงปูด่ดูลัตจากนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกเยอะนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมจันรมหาบวัวก็เคยไปเรียนกับท่านจันมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อประโยคหนึ่งนะฝังอกฝังใจเลย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 เห็นไหเนี่ยใจไหลเพราะฉั้นเราจริงเราขาดแค่สองตัวเองอะแต่สองตัวนี้แหละคือตัวที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดมรรคผลนิพพานเพราะฉะั้นเราก็คือเราขาดเครื่องมือที่จะไปสู่นิพพานต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเรื่อยๆสติจะเกิดแล้วก็หัดสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลมาแค่นี้นะสรุปแล้วนะจะสรุป ให้เรามีสติด้วยกันหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาหรือร่างกายเราเคลื่อนไหว เ, เคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยด้วยแล้วก็อย่าไปเพ่งด้วยพวกหนึ่งไม่ใจลอยแต่เพ่งเช่นยกตัวยอย่างจะหยิบพวงมาลัยต้องเพ่งก่อนอุ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเลยนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเกิดไป500รอยรอบแล้วกิเลสเร็วมากนะเราแกล้งทําช้าๆกิเลสไม่ช้าด้วยนะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลง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 ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจคำว่าวิปัสสนานะไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนานะอย่างสมมุติหลวงพ่อจะหยิบไมโครโฟนนะนี่หยิบไมโครโฟนบอกรู้นะนี่หลวงพ่อปราโมทจับไมโครโฟนเนี่ยไม่เรียกว่ารู้เลยเนี่ยหลงอยู่ในบัญญัติทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะมีเครื่องช่วยฟังรอบเดียวสาหัสอ้านั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่าเกรง ลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วยลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมขนาดพระนอนอยังลืมตาบางคนปากเสียบอกท่านตายตาไม่หลับนะเพราะว่าสาวกรุ่นหลังมันกับพร่องกระแกลงน้นะลืมตานะลืมตาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยหายใจออกสบายสบายหายใจออก มีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกไปนิดเดียวก็พอนะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆจุดที่สำคัญที่สุดอย่าน้อมใจให้ซึมพวกทําสมาธิทั้งหลายชอบเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะต้องรู้สึกตัวสติจาเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทําสมาธ ก, ก็ต้องมีสติสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอา้าวกลับไปรู้ หายใจออกสบายๆหาย ใ, หใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากถอยออกมาโ น, น่นๆนนนผมยาวๆนั่นอนะ่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะหายใจไปอย่างสบายๆเอาจบหลักสูตรไปทำเอาเอง <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งเอาเองก็แล้วกันนะแต่อย่านั่งให้โมหะครอบนะอย่านั่งให้โมหะครอบนั่งรู้สึกตัวไป นั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจไป